u d d h a m m a r a m a gacchā. u d d h a m m a r a m a g a c c h a u d d h a m m a m s a r a m a gacchā. d h a m m a m s a r a m a g a c c h a m m a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 เรื่องรัตนสูตรทำการบรรยายโดยท่านพระอาจารย์ประสมทบประกะโมวัดกลางอำเภอบางปะลมาจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่สามขอเชิญท่านรับฟังได้นบัดนี้ครับ เกี่ยวกันในเรื่องที่พระพุทธเจ้าประกาศคำสอนเพื่อจะโปรดชาวเวสาลีหรือภัสาลีในครั้งที่แล้วก็ได้กล่าวมาถึงตอนที่กิมจาปิโซกัมมังกโรติปาปะกังกาเยนวาจายุตเจตสาว่าอภพโพโซตัสสะปฏิชตาญาอภพพตา คิดถ้าปัาสฐาวุตตาอิดามปีสังเครัตนะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวุวัเิโหตุที่แปลว่าข้ารยาบุคคลเหล่านั้นยังทําบาปด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจแม้ก็จริงถึงกระนั้นท่านก็ไม่ควรเพื่อจะปกปิดบาปรกรรมนั้นๆถ้าผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วสังครตนะเมนี้เป็นรัตนะอันประณีด ด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแด่สัตว์เหล่านี้ครั้งที่แล้วได้กล่าวกล่าวในเรื่องตรงนี้ทีนี้ในครั้งนี้ก็จะกล่าวในเรื่องของอัฏฐาธิบายที่จะอธิบายต่อไปนี้ก็คือว่าในเรื่องของคําว่าวันนาปคุมเพยยาปุสิตักเค คิมหานามาเสปัธมาสสมิงคิมเหแตถูปะมังรรมววรังอเทสยินิพานาคามีประมังหิตายะีดัมบีสังพุทธเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหตุในคำแปลตรงนั้นก็แปลว่าพุ่มไม้ในป่ามียอดอันบาลแล้วในเดือนต้นในคิมหันตรอดูฉันใด พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมันประเสริฐยิ่งเป็นเครื่องให้ถึงพระนิพพานเพื่อประโยชน์เกื่อกูลมีอุปการะมากฉันใดพุทธรัตนะแม้นี้เป็นรัตนอันประณีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้เนในพระคถานี้ท่านอัตถะฐานท่านอธิบายไว้ว่าคำว่าวณะเนี่ยวณะเนี่ยแปลว่าป่านั้นเน่ได้แก่ ที่ซึ่งมีหมู่ไม้ขึ้นอยู่หนานแน่นหรือว่าพุ่มไม้ใดเจริญแล้วด้วยรากแก่นแล้วก็พีเปลือกกิ่งแล้วก็ใบทั้งหลายพุ่มไม้นั้นเขาเรียกว่าประคุมโพหรือพุ่มไม้ในป่านั้นชื่อว่าวนบประคุมโพวนาะวนาะเขาเรียกว่าพุ่มไม้ในป่าหรือพุ่มไม้ที่แตกกิ่งแตกใบอ่อนแตกยอด มีดอกบานสะบทั่งในป่าในเดือนแรกของฤดูร้อนซึ่งมีอยู่สี่เดือนนะสวยสดงดงามแม้ฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงพระปริยัติธรรมคือแสดงในส่วนของพระวินัยพระสูตรพระพิธรรมเนี่ยทรงแสดงพระปริยัติธรรมอันประเสริฐไปสู่พระนิพพานคือคําสอนของพุทธเจ้าโดย ย่อลงก็คือศีลสมาธิปัญญาในส่วนของพระปริยติธรรมเนี่ยหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั้นน่ยเป็นไปสู่พระนิพพานเป็นข้อปฏิบัติที่จะไปสู่พระนิพพานพระ อ, องค์ทรงสแสดงหนทางไปสู่พระนิพพานด้วยพระหาไทยที่ประกอบไปด้วยอุตสาหะและด้วยความเอื้อเอ็นดูด้วยพระมหากรุณาธิคุณเพื่อประโยชน์สุกแก่สัตว์ทั้งหลาย หาได้ทรงแสดงเพราะเหตุแห่งลาบสกาละชั้นนั้นไหมถ้าถามบอกว่าพระบรมศา ส, สดาเวลา จ, จะแสดงธรรมโปรดเวนัยศาสตว์เนี่ยพระองค์แสดงธรรมเพื่ออะไรเพื่อลาบสกาละหรือเพื่อประโยชน์ศักแก่เหล่าสัตว์ก็ต้องบอกว่าเพื่อประโยชน์ศักแก่เหล่าสัตว์ไม่ใช่แสดงพระสัตว์ธรรมเพื่อลาบสกาละและเสียงสารเสริญเย็นยอเป็นต้น พระธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงนั้นเป็นธรรมที่มีศิลิคืองดงามอย่างยิ่งด้วยดอกอันมีประโยชน์นานาชนิดก็คือว่ามีขันมีอยายตนะมีาธาตุมีสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทรียพระรโธชงอริยมัติมีศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติญาณทัศนขันเป็นต้นเน่ยฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเนะ่ยขันทรงสแสดงพระปริยติธรรมอัน เช่นเดียวกับพุ่มไม้ในป่าที่มีดอกมีใบบานสะพั่งอย่างนี้แล้วเนี่ยทรงอาศัยคุณข้อนี้คุณคือศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณเป็นต้นเหล่านั้นเน่ะทรงประกาศสัจวาจาด้วยพุทธาทิฏฐานคือถือพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งว่าพุทธรัตนแม่นี้เป็นรัตนอันประณีตด้วยสัจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีเกศสัตว์เหล่านั้นและด้วยพระคาถานี้เป็นอันว่าหมู่อมนุษย์ในแสนโกฏจักรวาลได้รับแล้วได้ความหมายหรือว่าเวลาเราสวดคาถาเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยป้องกันอมนุษย์ในแสนโกฏจักรวาลได้ด้วยอมนุษย์เหล่านั้นไม่มากรมกลายหรือมาไม่ย่ำยีไม่ทําลายนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าขันตรัสจักจวาจาเป็นพุท ธ, ธาธิฐานด้วย อำนาจพระปริยัติธรรมอย่างนี้แล้วบัด น, นี้พระองค์ตรัตโลกุตละธรรมจึงเพิ่มพระคาถาว่าวโรวรันย ah ูวรโทวราหาโรใช่ไหมมีกี่ศัพท์กี่ความหมายเนี่ยวโรศัพหนึ่งวรันยูศัพหนึ่งวรโทศัพหนึ่งแล้วก็วราหาโรแล้วก็มีคําว่าอนุตตโอธรรมวรังอะเดสิ ดีดำบีพุทธังรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทีโหตุก็แปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐทรงทราบธรรมอันประเสริฐอะไรคือธรรมอันประเสริฐมัคสีพ้นสีนิพพานหนึ่งเนี่ยนะเรากุตระทำก้าเนี่ยถือว่าเป็นธรรมอันประเสริฐโดยเฉพาะเพระนิพพานเนี่ยเป็นธรรมอันประเสริฐทรงประทานธรรมอันประเสริฐ ทรงนามาซึ่งธรรมันประเสริฐไม่มีผู้ยิ่งไปกว่าได้ทรงแสดงธรรมันประเสริฐพุทธรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประนีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านั้นท่านพระอัจฉริยอาจารย์อธิบายในคาถานี้ว่าคําว่าวโรเนี่ยวะระเนี่ยเขาแปลว่าอะไรแปลว่าประเสริฐ ทีนี้วโรที่แปลว่าประเสริฐเนี่ยถ้าไปเจอศัพท์นี่นะคําว่าวโรก็ดีวระก็ดีวรังเวลาเนี่ยก็แปลว่าแต่แปลว่าประเสริฐเป็นชื่อของใครหมายถึงพระพุทธเจ้างั้นถ้าบอกว่าประเสริฐเนี่ยไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าใช่ไหมถ้านับกันว่าใครประเสริฐที่สุดก็ต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าในบรรดาสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์ไม่มีเท้า สัตมีรูปก็ตามไม่มีรูปก็ตามมีสัญญาก็ตามไม่มีสัญญาก็ตามเป็นต้นเนี่ยในบรรดาสัตว์เหล่านั้นน่ยพระบรมศาสตราคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดฉะนั้นจึงใช้คําว่าวโรเป็นผู้อัญชนทั้งหลายผู้มีอัธยาศัยอันประณีตปรารถนาแล้วว่าโอ๋นอเนี่ยคือสัตว์ที่มีอัธยาศัยที่ประณีตอัธยาศัยที่ดีอัธยาศัยที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาวิริยะเป็นต้นอ่ะโอ๋น้อเนี่ย เม้พวกเราพึงเป็นเช่นนี้ใครเาปราถนาโอ้อยากจะประเสริฐอย่างพระพุทธเจ้าใช่อีกอย่างหนึ่งชื่อว่าประเสริฐเพราะอะไรเพราะประกอบด้วยพระคุณนันประเสริฐพระองค์ทรงรู้พระนิพพานอันเป็นธรรมประเสริฐสูงสุดกว่าธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองณที่ไหนณควงไม้โผคขั้นทรงรู้แจ้งแล้วเนี่ยก็ได้ทรงประทานพระธรรมอันประเสริฐ คือโลกุตละธรรมเนอีอันเป็นส่วนแห่งธรรมเครื่องแทงตลอดหรือเป็นส่วนแห่งวาสนาแก่ภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าประทานให้กับใครเป็นคนแรกประทานให้ปัญญวคีทั้งห้าประทานให้พัฒวคีประทานให้ชดินทั้งหลายเป็นต้นในรรษาในครั้งแรกที่แสดงประทมเทศนาใช่ไหมพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักกับประวัตินสูตรก็ประทานประทมเทศนาครั้งแรกแก่ปัญญาวคีทั้งห้า คือคนทัญญาวว่าป่าพัทยามหานามาอศัศเชิอันนั้นก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันและต่อมาก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ดยการแสดงอนัตตลักษณสูตรเป็นต้นต่อมาพระองค์ก็ทรงประแทนประทานพระธรรมแก่พะทะกัทธวคีร์สสก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้นเหมือนกันแล้วตลอดถึงแสดงอาทิตต์ปริยยสูตรโปรดฉดินสามพี่น้องเป็นต้นนั้น นั้นทรงสแสดงแก่เทวดาและมนุษย์อีกด้วยเพราะฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกพระพุทธเจ้าว่าวราหาโรเขาแปลว่าผู้นำมาซึ่งสิ่งที่ประเสริฐอาถารย์บอกว่าเป็นผู้ประเสริฐแล้วยังไม่พอใช่ไหมยังนำมาซึ่งสิ่งที่ประเสริฐอีกด้วยถ้าเป็นผู้ประเสริฐธรรมดาเนี่ยถือว่าไม่เท่าไหร่ยังนำสิ่งที่ประเสริฐมาอีกด้วยเช่นนำ มรคสี่นำผลสี่นำโลกุตละธรรมก้านำมรคสี่ผลสี่นิพานหนึ่งและยังนำพระปะริยติธรรมนะอันต่างด้วยศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะให้กับสรบสรพสรัตว์ทั้งหลายอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าทรงนำมรคอันประเสริฐมา <c oughs> นําสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะสัมมาวิมุสัมมาสติและก็สัมมาสมาธิมาจริงอยู่ว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีสามสิทัศถ์มาตั้งแต่สมัยพระธีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมถ้าบอกว่าเออพระบรมศาสดานี่ทรงบำเพ็ญบารมีมาตั้งแต่สมัยไหนเริ่มแรกทีเดียวก็ตั้งแต่สม พระทิปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการตั้งปณิธานที่บอกว่าถามว่าปัญญาทิกาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีเมศเสียสงไขยกับอีกแสนกับการทําบารมีเสียสงไข่กับอีกแสนกับจึงได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาทิกาสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะนั้นปัญญาของปัญญีนีในแรงมากพระองค์ทรงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านับตั้งนับได้เท่าไหร่ยี่สิบอสงไขยกับอีกแสนกับคือปรารถนาด้วยใจเจ็ดอสงไข่ใช่ไหมปรารถนาด้วยวาจายี่เท่าไหร่เก้าอสงไข่แล้วก็ปรารถนาด้วยกายด้วยวาจายี่สอสงไข่แสนกับฉะนั้นพระโพธิสัตว์นั้นมีจิตที่ตั้งมั่นปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อน นับไม่ทวนพราะพุทธเจ้าคิด that, ในใจคิดยังไงด้วยคิดบอกว่าเราตัดสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นรู้ด้วยเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วยนั่นคือเป็นการตั้งเจตนาเนี่ยและต่อมาก็บอกว่าเราตัดสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นรู้ด้วยเราพ้นจากกิเลสแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วย เราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วยมหาสมุทรคือวัตตสงสารนี้มีไพยมากแล้วเวลาพระองค์บำเพ็ญพุทธการกธรรมแต่ละครั้งพระองค์ก็จะตั้งอัธยาศัยบอกว่าด้วยอำนาจแห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาค ต, ตการภาคหน้าขอให้ข้าพเจ้าช่วยสัตว์ทั้งหลายให้ถึงความดับสนิทจาก สังสาราทุกเถิดเวลาพระ อ, องค์ทําบุญแต่ละครั้งในตอนเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยพระ อ, องค์ก็ปรานนาอย่างนี้มาคือการบำเพ็ญบา ร, รมีมาตามลำดับเนี่ยเนี่ยนี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้อย่างเราเราทําบุญเราไม่ได้อธิษฐานดิงขนาดนั้นใช่ไหมเอาแค่ตัวเราให้รอดนี่ยังยากลเลยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ย สร้างบารมีมาสามสิบทัดมาตั้งแต่สมัยพระตีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเอานาเอามรรคเก่าๆที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆทรงดําเนินไปแล้วมาบอกให้ชาวโลกที่จริงคำว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวสัมมาวิยมสัมมาสติและสมาสมาธิเนี่ยอารียามังยองแปดเนี่ยอันนี้เป็นมรรคเก่าที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนตรัสไว้บอกใช่ไหม แต่พอตรัสบอกเป็เสร็จแล้วว่าสิ้นยุคสิ้นสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็ไม่มีใครเจอไม่มีใครพบแต่เพราะมีพระโพธิสัตว์ที่ท่านบำเพ็ญบารมีมาตามลําดับในที่สุดจริงๆท่านก็มาคน้นมาคิดมาไขควรจนสามารถตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้แล้วก็นำอามรา์เก่าที่พระพุทธเจ้าองค์เก่าเคยบอกองค์ก่อนๆเคยบอกนั่นแหะ นั้นเขาถึงบอกว่าทรงนำเอามรรคเก่าที่พระพุทธจเจ้าองค์ก่อนๆทรงตาเนินไปแล้วมาบอกแก่ชาวโลกเพราะเหตุนั้นนะ่ะชาวโลกจึงเรียกพระองค์ว่าวราหะโรพระแปลว่าผู้นํามาซึ่งมรรคอันประเสริฐอริยมรรคนี่อันประเสริฐอยู่แล้วใช่ไหมเพราะอริยมรรคนี่ประชุมครั้งแรกก็เป็นพระโสดาบันประชุมครั้งที่สองก็เป็นพระสกท า, าคามี ถ้าประชุมอรียมรักครั้งที่สาก็เป็นพระอนาคามีถ้าประชุมอารียมรักครั้งที่สี่ก็เป็นพระอระหันต์ฉะนั้นวะหลาหารอรียก็แปละว่าผู้นํามาซึ่งมรักอันประเสรฐใครเป็นผู้นํามามบอกพระพุทธเจ้านํามาอีกอย่างหนึ่งนะี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นชื่อว่าประเสริฐเพราะทรงได้เฉพาะซึ่งพระสัพพัญยตยาน ทรงได้ชื่อทรงทราบสิ่งที่ประเสริฐเพราะการทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานทรงชื่อว่าประทานสิ่งที่ประเสริฐเพราะทรงประทานความสุขอันเกิดจากวิมุตต์แก่สัตว์ทั้งหลายและทรงชื่อว่าประเสริฐเพราะนํามาซึ่งสิ่งอันประเสริฐเพราะนําข้อปฏิบัติอันสูงสุดมาให้พระพุทธเจ้าได้ทรงพระองค์นั้นชื่อว่าอนุตตรโรอนุตตรโรเนี่ย เพราะไม่มีใครยิ่งกว่าพระองค์คือด้วยคุณคือโรกุตระคุณทั้งหลังมรซีผลซีนิพานหนึ่งในบรรดาโลกุตระคุณนะที่พระพุทธเจ้าเข้าถึงและได้เนี่ยไม่มีใครยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอีประการหนึ่งก็คือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นชื่อว่าประเสริฐเพราะทำให้บริบูรณ์ในสมา ิฐานชื่อว่าทรงรู้สิ่งที่ประเสริฐทำให้บริบูรณ์ในปัญญาทิฐานชื่อว่าทรงนําสิ่งที่ประเสริฐมาให้และทำให้บริบูรณ์ในสัจจาทิฐานคือทรงนํามาซึ่งมรรคสัจจาอันประเสริฐมาให้เป็นต้นถ้าเราดูในลักษณะอย่างนี้ก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นเน่ยชื่อว่าประเสริฐจริงๆเพราะทำให้บริบูรณ์ในสมาธิฐาน และรู้สิ่งที่ประเสริฐทำให้บริบูรณ์ในปัญญาที่ฐานและนำสิ่งที่ประเสริฐมาให้เพื่อทำให้บริบูรณ์ในสัจจาที่ฐานคือพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งสัตย์อธิฐานเขาไว้ใช่ตอนที่พระองค์สั่งสมบา ร, รมีเนี่ยอธิฐานบา ร, รมีเนี่ยการที่พระองค์ทรงตั้งอธิฐานบา ร, รมีเนี่ยตั้งกิจปรารถนาเขาไว้บอกว่า ด้วยการที่พระองค์สั่งสมบำเพ็ญบา ร, รมีมาเนี่ยนะบำเพ็ญบา ร, รมีมาเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่ออะไระเพื่อว่าเธอจงบำเพ็ญสัจจะบา ร, รมีเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็จงบำเพ็ญอธิษฐานในบา ร, รมีหากเธอปรารถนาบรรลุเป็น สมาสัมโพธิญาณแล้วซา้เธอจงบำเพ็ญอธิฐานบารมีนะเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิฐานบารมีอันว่าภูผาตั้งมั่นดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวด้วยแรงลมกล้าแม้ปานใดย่อมยังตั้งอยู่ในฐานของตนโดยไม่ขยับเ ข, ขยื้อนเคลื่นอนจากที่แม้ฉั้นใด เธอจงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานนบา ร, รมีทุกเมื่อเชนนั้นเธอบำเพ็ญอธิษฐานบารมีแล้วจักบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณด้วยอกว่าอย่างเราตั้งจิตอธิษฐานอะไรเนี่ยบางทีเราก็เปลี่ยนเรื่อยเยอะในรรดาคนที่ไม่ตั้งมั่นหรือคนที่ยังมีความหวั่นไหวเนี่ยพอไปเจออะไรกระทบกระทั่งก็นหน่อยนยอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าตั้งจิตบอกว่า เดี๋ยวต่อไปเราจะเจริญกุศลแบบเอาจริงเอาจังแล้วจะสวดมนต์ไหว้พระเจริญกุศลทุกวันไม่ให้ขาดแนะ่ๆแต่พอเกิดมีเหตุจำเป็นอะไรขึ้นมาก็เอาอีกแล้วบอกว่าวันนี้หยุดก่อนหนะึ่งอย่างนี้เขาเรียกว่ากวนไหวไม่มีอธิฐานนะบรารมีแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้านะั้นตั้งมั่นด้วยอธิฐานนะบรารมีหรือว่านำมาซึ่ง สัจจา ท, ทิฐานได้ทรงนำมาซึ่งมรรคสัจจะอันประเสริฐปรารถนาเลยนะว่าตนเองจะต้องบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณจะต้องสร้างบา ร, รมีให้ได้และจะต้องบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณให้ได้และจะต้องทําให้ได้เสียสงไข่ ย, ยิ่งด้วยแสนกับก็ตั้งจิตอธิฐานอย่างเงี้ยเด้อถ้าไม่ถึงก็ไม่ยอมหยุดไม่บอกว่าพอแล้วอย่างนะี้ละ เพียรพยายามไปแลกขนาดอย่างนี้เรืนะ่อยๆเนี่ยอันเนี้ยจนวันใดวันหนึ่งได้มาซึ่งมรคสัจจะได้โลกุตระมัดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเนะี่ยจึงมั่นใจว่าตัวเองได้อย่างนี้เป็นต้นอีกประการหนึ่งก็คือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นชื่อว่าประเสริฐเพราะเป็นที่ตั้งแห่งบุญชื่อว่าทรงรู้สิ่งประเสริฐเพราะเป็นที่ตั้งแห่งปัญญาชื่อว่าทรงประทานสิ่งที่ประเสริฐ พระประทานอุบายนั้นนั้นแก่ชนทั้งหลายผู้ต้องการความเป็นพุทธะถ้าใครปรารถนาเป็นพุทธะประารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธะประารถนาเป็นสาวกพุทธะเนี่ยถ้าใครปรารถนาเนี่ยพระเจ้าก็ประทานอุบายให้มันเหมือนบอกว่าถ้าเราอยากจะเป็นพุทธะใช่ไหม อยากจะเป็นสาวกพุทธะ้าไปหาพระพุทธเจ้าพอไปหาพระพุทธเจ้าก็กราบทูลพระผู้มีภาคย่าบอกว่าข้าพระองค์ในปรารถนาเป็นพุทธะนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเออด้วยอุบายแบบนี้สิเธอก็จะได้เป็นพุทธะสมใจก็ประทานศีลบ้างสมาธิบ้างปัญญาบ้างประทานสติปัฏฐานสัมมาประทานอิธิบาทอินทรียพราโคชงอริยมักเป็นต้นประทานข้อปฏิบัติต่างๆเนเพื่อเป็น อุบายในการที่จะให้สัตว์เหล่านั้นแทงตลอดอาลัยศัสตร์เพื่อเป็นปัจจัยแก่การได้เป็นพุทธะเช น, นซึ่งทรงนำมาซึ่งสิ่งอันประเสริฐเพราะนำมาซึ่งอุบายดังนั้ น, น, นแก่ชนทั้งหลายผู้ต้องการเป็นปัจเจกับพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐเพราะไม่มีใครเสมอเหมือนในคุณนั้นๆหรือเป็นผู้ไม่มีอาจารย์นะ่ะ พอพระองค์ทรงเป็นอาจารย์ของชนเหล่าอื่นได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐอันประกอบด้วยคุณมีความเป็นสวาขาตธรรมเป็นต้นแก่ชนทั้งหลายผู้ต้องการเป็นสาวกคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสว่าขาแตธรรมคือตรัสไว้ดีแล้วใช่ไมปรยิยติธรรมเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้เนี่ย อันต่างด้วยเป็นสุตตะเคยยะโอยาการณาคาถาอุทานีติวัตกาเป็นต้นเนี่ยหรือว่าทีคณิกายมัชฌิมขณิกายอังคุตรนิกายสังยุตตะนิกา ย, ย, กายและขุถากาณิกายนิกายห้นานี่นีหรือประกอบไปด้วยพระวินัยปิดกพระสุตตันตปิดกและพระอภิธรรมปิดกเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยบอกว่าเป็นสว่าขาแตรทำ การตรัสคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยดีอยู่ตรงที่ว่าไม่ต้องมาปรับปรุงใหม่แต่ถ้าคําสอนหรือคํากล่าวอย่างอื่นเนี่ยเวลามาพูดแล้วเนี่ยมันยังต้องแก้ไขยอยู่เรื่องเนี่ยแต่คําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสมบูรณ์ไม่มีเราก็คําสอนของพระพุทธเจ้าว่าขาดตรงนั้นไปข้อนึงเนืขาดตรงนี้ไปข้อไม่มีสมบูรณ์ไม่ต้องไปเพิ่มเติมแล้วก็ไม่ต้องไปตัดตอน นี่คือสวากขาธรรมฉันพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงแสดงคุณของพระองค์ด้วยคุณของโลกุตระธรรมก้าวกล่าวคือมากสี่พันสี่นิพพานหนึ่งแล้วบัดนี้ทรงอาศัยพระคุณเหล่านั้นนั่นแหละประกอบสัจวาจาเป็นพุทธาธิฐานว่าพุทธรัตนแม่นี้เป็นรัตนอันประนีต ด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เหล่าสัตว์นี้คือสัตว์ที่ได้รับภัยพิบัติในเมืองเวสเรียทีนี้สัจจวาจาในตอนนี้หมายถึงอะไรคำว่าสัจจวาจานี่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทราบโรกุตระรรเก้าเนั่ยมรซีผลสีนิพานหนึ่งอันประเสริฐใด ได้ทรงประธานโลกุตระทำเก้าอันประเสริฐได้ทรงนำมาซึ่งโลกุตระทำเก้าอันประเสริฐและได้ทรงประทานโลกุตระธรรก้าอันประเสริฐ ด, ด้วยพุทธรัตตระแม้นี้เป็นรัตนานปราณดีด้วยสัจวาจาเนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นอาชยาแห่งคถานี้เป็นอันอมนุษย์ในแสนกฎจักรวาลรับแล้วคือสามารถป้องกอันอมนุษย์ในแสนกฎจักรวาลนี้ได้เป็นต้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยพระปริยัติธรรมและโลกุตระธรรมตัดสัจจ์อันเป็นพุทธทาธิฐานด้วยสองพระคาถาอย่างนี้แล้วแล้วก็บัตรนี้นะพระองค์ก็อาศัยคุณคุณแห่งการบรรลุอนุปาทิเสสนิพานธาตุของท่านทั้งหลายผู้ได้ฟังพระปริยัติธรรมนั้นแล้วได้ปฏิบัติตามกระแสรพระธรรมที่ได้ฟังมาแล้วจึงได้ บรร ล, ลุโลกุตรธรรม้าประการเพื่อจะตรัสสัจวาจานเป็นสังคาทิฏฐานมีพระสงฆ์เป็นที่ตั้งอีกจึงได้ทรงเริ่มก็คือว่าเวลาพระพุทธเจ้ากล่าวพระป ร, ะริยติธรรมกล่าวโลกุตรธรรมเนี่ยนะให้กับชาวโลกเมื่อชาวโลกฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าชาวโลกก็นำคำสอนนั้นไปปฏิบัติ เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วก็สามารถแทงตลอดสัจจะสี่อันต่างด้วยทุกสมุทัยที่ลดมักเมื่อแทงตลอดสัจจะทั้งสี่จนได้บรรลุโลกุตตะละธรรมเก้าแล้วจนเป็นพระอริยสงฆ์พระพุทธเจ้าเลยตรัสสัจจาอันเป็นสังคาทิฐานหรือด้วยอำนาจแห่งพระสงฆ์เนี่ยนะ จึงได้ตรัสว่าขีนางปุรานางนวังนาทิสัมพวังวิราตจิตตายะติเกพวัสหมิง่งเตขีนพีชาวิรุณูเชนดานิพาตินิพันติทีรายธาดัมปฏิโปเนี่ยอดัมปีสังเครตนังปณีตังเยเตนะสัจเจนะสุวทิโอตุแปลว่าภาริยบุคคลเหล่าใดผู้มีจิตอันหน่ายแล้วในพบต่อไป มีกรรมเก่าสิ้นแล้วไม่กระทํากรรมใหม่เครื่องสมพภพพระเริยบุคคลเหล่านั้นมีพืชสิ้นแล้วมีความพอใจไม่งอกงามแล้วเป็นนักปรากย่อมนิพพานเหมือนดวงประทีปดับไปเช่นั้นสังขรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีดด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแกสัตว์เหล่านี้ตรงเนี้บทว่าขีน่นางได้แก่อะไร ขีนังได้แก่สิ้นรอบแล้วคือตัดขาดแล้วขีนังเนี่ยนะสิ้นรอบก็ได้ตัดขาดก็ได้กล่าวคืออะไรภริยะบุคคลเหล่าใดเป็นผู้มีกรรมเก่าในอดีตสิ้นแล้วเ อ, ออย่างเราท่านทัน้งหลายนี่กรรมเก่าในอดีตยังไม่สิ้นนะกรรมเก่าในอดีตในแสนโกรธที่เราเคยทำไว้อย่างมากมายเนี่ย ยังไม่สิ้นยังมีโอกาสที่จะตามมาให้ผลเราได้ตลอดเวลานี้เขาเรียกว่ากรรมเก่ายัางไม่สิ้นแต่ขีน่นางหรือขีน้าศัตว์เนี่ยที่เป็นชื่อของพระอาหารหันเนี่ยนะท่านบอกว่าเป็นพระอริยบุคคลผู้มีกรรมเก่าในอดีตสิ้นแล้วเมื่อมีกรรมเก่าในอดีตแล้วทั้งไม่มีกรรมใหม่อันนําไปติดสนธิในภพใหม่ในอนาคตก็แปลว่า การกระทาทางกายทางวาจาและทางใจของพระอรหันต์นั้นไม่เรียกว่ากรรมใหม่เพราะการกระทาของท่านเหล่านั้นไม่นำปฏิสนธีในภพใหม่ซึ่งต่างจากเราท่านทั้งหลายใช่ไหมอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยการคิดนึกทางใจการกระทาทางกายและการพูดทางวาจาออกมาเนี่ยเป็นกรรมสามหมดเลยเป็นทั้งกายกรรมวจีกรรมและมะโนกรรม กรรมเหล่านี้ที่เรากําลังทําใหม่ๆเนี่ยสามารถเมื่อครบกรรมาบทแล้วนำปฏินสนธิในภพใหม่ได้หมดเลยและไม่แค่นั้นใช่ไหมกรรมเก่าที่เคยทํามาแล้วในอดีตกรรมสามันต่างด้วยกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมในอดีตภพที่ผ่านมาที่นับชาติไม่ทวนเราเคยทําไว้อย่างมากมายและกรรมเหล่านั้นก็ยังไม่สิน้น ยังมีโอกาสที่จะนําปฏิสนที่ในภพต่อๆไปได้อีกนับไม่ถ้วนอย่างเดีนกันถ้าอย่างเราท่านทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้มีกรรมเก่ายังไม่สิ้นและก็กําลังทํากรรมใหม่อยู่ส่วนผ้าเลียบบุคคลที่เป็นผ้ารหาร น, นั้นกรรมเก่าท่านสิ้นแล้วและท่านก็ไม่ทํากรรมใหม่ไม่ทํากรรมใหม่ที่จะนําปฏิสันที่ในภพในอนาคต ฉะนั้นก็ธรรมดากรรมใดเป็นกรรมเก่าคือเป็นกรรมในอดีตแม้เกิดแก่สัตว์ทั้งหลายแล้วดับไปก็จริงถึงกระนั้นก็ชื่อว่าเป็นกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปเนอะกรรมในอดีตเนี่ยดับแล้วสิ้นไปหรือยังสิ้นไปหรือยังสิ้นไปแล้วแต่ยังไม่หมดเขายังมีอํานาจในการนํำปฏิสนธิมันดับไปหมดแล้วใช่ไหมกรรมที่ทําเมื่อวานนี้ก็ดับไปแล้วกรรมที่ทำเมื่อเช้ามืดนี่ก็ดับไปแล้วกรรมที่ทําเมื่อ สาสี่วันอาทิตย์ก่อนเดือนก่อนปีก่อนชาติก่อนเนี่ยกรรมเหล่านั้นสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วแต่กรรมเหล่านั้นไม่ได้หมดไปทีเดียวนะเขามีโอกาสได้เหตุปัจจัยที่สมบูรณ์เมื่อไหร่เขาก็นําปฏิสนธิให้เหมือ น, นั้นหรือให้ผลได้เหมือนนั้นเขาจึงบอกว่าสามารถนําปฏิสนธิคือการเกิดในภพใหม่มาให้เพราะเหตุที่ยางเหนียวคือตันหายังยังละตันหาไม่ได้นั่นเอง ส่วนกรรมเก่าของสัตว์ใดที่สิ้นแล้วเพราะไม่สามารถให้วิบากต่อไปให้วิบากสิ้นไปแล้วเนื่องจากยางเหนียวคือตัณหาได้เหือดแห้งไปด้วยอาหะธรรมกยาน<ม>คืออย่างนี้ถ้าได้บรรลุ<ม>เป็นพระอรหันต์เนี่ย<ม>ด้วยอํานาจของอาหะธรรมกยานเนี่นะตัวอาหะธรรมกยานเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย<ม>เขาก็ขจัดตัณหา ยางเหนียวคือตันหาให้เหยียดให้เหือดแห้งแบบให้สิ้นแบบเมื่อตันหาคือตัวยางเหนียวที่เป็นตัวเชื่อมพบต่อพบขันต่อขันเนี่ยนะยอายตนะต่ออายตนะเนี่ยไอตัวเชื่อมมันไม่มีแล้วเนี่ยมันก็ไม่นำมาติดสันติสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังต้องเกิดอยู่ก็เพราะมีตัวเชื่อมก็คือมีตัวตันหาที่เป็นตัวยางเหนียวเนี่ย มันเหมือนกันกันกบได้ที่อยู่ที่ก้นเข็มเป็นตัวเชื่อมระหว่างพบต่อพบเนี่ยก็แปลว่ายางเหนียวนั้นยังไม่สิ้นไปส่วนกรรมเก่าของศาสต ร, ราใดชื่อว่าสิ้นไปแล้วเพราะไม่สามารถให้วิบากต่อไปเพราะให้วิบากสิ้นไปแล้วเนื่องจากยางเหนียวคือตัณหาได้เหื่อแห้งไปด้วยอรหัตมะขยาน เปรียบเสมือนพืชที่ไฟไหม้แล้วฉะนั้นและกรรมใดของสัตว์เหล่านั้นซึ่งทําให้ทําในปัจจุบันด้วยอํานาจแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมเป็นต้นพระพุทธเจ้าเรียกว่ากรรมใหม่กรรมใหม่นั้นของชนเหล่าใดไม่มีสมภพคือการเกิดอีกเพราะไม่สามารถให้ผลต่อไปเพราะประหารตัณหาสิ้นแล้วเปรียบเสมือนอะไร ดอกไม้ที่มีขั้วหลุดแล้วฉะนั้นดอกไม้ที่ขั้วมันหลุดใบไม้ที่ขั้วมันหลุดเนี่ยเอาไปต่อกันดิก็ไม่ติดคนที่หมดยางเหนียวหมดชาติปฏิสนธิก็อย่างนั้นเนี่ยทำยังไงก็ไม่เกิดอ้อนวอนยังไงให้เกิดก็เกิดไม่ได้เพราะว่าหมดสิ้นการเกิดแล้วชนทั้งหลายเหล่าใดชื่อว่า มีจิตคลายกำหนัดในพบต่อไปได้แล้วพอละเสียได้ซึ่งตัณหานั้นชนทั้งหลายเหล่านั้นชื่อว่าเป็นภิกษุขีนาศพเป็นผู้มีพืชสิ้นแล้วเพราะสิ้นปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณเนะี่ยมีทั้งหมด19บเกดวงเนะี่ยสิบเก้าประเภทเขานับอย่างนี้ประเภทหนึ่งเขาเรียกอุเบกขาสันติแล้วนะอกุศลวิบาก ดวงนี้ทําหน้าที่ปฏิสนธิให้พวกอบรรยายว์คือทําหน้าที่ปฏิสนธิให้กับเปรตให้กับอสุรกายให้กับสัตว์เดรัจฉานให้กับสัตว์นรกอันนี้ประเภทหนึง่งส่วนอีก9ประเภทคือพวกมหาวิบาก8ปดแปดประเภทแล้วก็อุเบกขาสันติรณกาคุสนิบากหนึ่งอันนี้ทําปฏิสนธิให้กับมนุษย์แต่อุเบกขาสันติระนาคุสนิบากหนึ่งเนี่ย ประเภทเนี้ยนำปฏิสนธิให้กับมนุษย์และเทวดาที่บ้าใบาบอดหนูอันนี้ประเภทที่ไม่ดีคือถ้าดวงนี้นำปฏิสนธินะโอ้แย่เลยแล้วอย่าลืมนะกรรมประเภทนี้เราก็เคยทำเนี่ยใช่ไหมไอ้กรรมที่แม่ฟังคำน่าจะนำปฏิสนธิกับไอ้กรรมประเภทที่เลี้ยงเล่าเลี้ยงสุรานำปฏิสนธินี่โอ้แย่เลยเนี่ยจะเป็นคนกับเขาทั้งทีเดี๋ยวก็บ้าบอเนี่ยยุ่งเลย ใครเคยไหมเลี้ยงเหล้าบังเลี้ยงโซลาบังเลี้ยงยาเสพติดบางซื้อบุหรี่ให้คนนั้นคนนี้บางเป็นตนเหล่าเนี้ยกรรมเหล่านี้มัเนเป็นกรรมไม่สมบูรณ์เป็นกรรมที่เขาเรียกปนบาปมันเป็นบุญกันนะแต่เป็นบุญที่เป็นญาณวิปยุทธอย่างต่ำไอ้ยาณวิปยุทธอย่างอ่อนๆ อ, อ, อย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นการสร้างบุญที่ไม่ดีทีนี้ตอนนี้มันนําเกิดให้เป็นมนุษย์กับเขาเหมือนกันแต่ไม่สมประกอบ นับหนึ่งไม่ถึงสิบยุ่งเลยอะถ้ากรรมวันนี้จะเคยอย่าลืมนะกรรมประเภทนี้เคยทํากันแทบทั้งนั้นถ้ามันส่งผลในยุ่งเลยใช่ไหมมันคอยแทรกอยู่เรื่อยเลยถ้าถ้าส่งผลในประวัติการก็ไม่เป็นไรถ้าส่งผลในประวัติการก็คือว่าบางคนก็ทําให้ได้พี่น้องได้พี่น้องเป็นพวกบ้าใบาบอดโง่บ้างทําให้ได้เห็นคนประเภทนี้อย่าบ่อยๆเป็นต้นบ้าง หรือทาให้เกี่ยวข้องบ้างบางทีมาเป็นลูกเป็นหลานเป็นอะไรอันนี้ก็เรียกว่าส่งผลเราในประวัติการแต่ถ้าพอส่งผลในปฏิสนธิการให้กับเราก็เล่นเราเลยตอนนี้ไม่ใช่คนอื่นเป็นแล้วไม่ใช่ญาติวงศาร์เป็นแล้วเราเป็นซะเองเลยส่วนพวกรูปวิบากห้าก็นําปฏิสนธิของรูปภพอารมณวิบากสี่ก็นําปฏิสนธิเป็นอารมณ์ภพฉะนั้นตัวปฏิสนธิเนี่ยมันมีด้วยกันสิบสิบเก้าเปอร์เซ็นตใคร ที่ประเภทเสียหายที่สุดวิญุประเภทสุดประเภทที่เสียหายอย่างลองลองมาถ้าถามว่าเป็นพวกอบียศัสตร์กับเป็นมนุษย์บาใบาบอดหนวกคนก็เอาเป็นมนุษย์ดีกว่าใช่ไหมมันยังได้เห็นอะไรบ้างมันยังได้เอาบางคนเนี่ยให้ทานซะ อ, อย่างอย่างดีเลยนะโอ้ให้มากแต่ให้ประเภทอย่างที่ว่านี่แหละ ให้ประเภทที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาให้สารพัดเนี่ยพอเกิดมานี่กลายเป็นคนบ๊ำบ๊ำเป๋เ ป, เ, ป, เ, ปนเนี่ยนะแต่รวยโอ้โหเกิดมาเป็นลูกคนมีสตังค์เชิญสบายไปเถอะไม่เอาด้วยอย่างเงี้ไม่เอาเลยโอ้โสบายอย่างงี้เขารับวิบากได้ไม่เต็มที่ เหมือนเหมือนเหมือนสุนักบางตัวที่ถูกเลี้ยงอย่างดีท่นั้นชนทั้งหลายชื่อว่าเป็นพิกุขีนาศเป็นผู้มีพืชสิ้นแล้วเพราะสิ้นปฏิสนธิวิญญาณก็แปลว่าปฏิสนธิวิญญาณทั้งสิบเก้าประเภทไม่มีแล้ว ความสิ้นกรรมนั่นเองแม้ความพอใจด้วยอำนาจแห่งตัณหากล่าวคือตัณหาในพบใหม่ซึ่งเจริญขึ้นแม้อันใดได้มีแล้วในการก่อนตัณหาแมนั้นทันละได้แล้วด้วยด้วยละสมุทัยพริยบุคคลเหล่านั้นจึงเป็นผู้มีความพอใจอันไม่งอกขึ้นเพราะความไม่มีสมภพก็คือไม่ในจุดิดกการก็คือไม่มีการเกิดใหม่ เหมือนในการก่อนที่ต้องมีสมภพในจุติการซึ่งชื่อว่าเป็นนักปราบถึงพร้อมด้วยปัญญาย่อมดับเสียได้เพราะความดับแห่งวิญญาณดวงสุดท้ายเหมือนดวงประทีปที่ดับไปเช่นั้นไพศา์เนี่ยเวลาจติจิตท่านดับเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณคือจิตดับดวงสุดท้ายไม่มีจิตเกิดอีกต่อไปอย่างเราเนี่ยพอจุติจิตดับ ก็ปฏิสันทีก็ยกยกยกขันขึ้นมาบริหารกันใหม่ทิ้งขันนี้แล้วก็ไปแบกขันใหม่สาคัญขันมันจะไม่ได้ดีเหมือนเดิมมลงขันบางขันนี่โอ้โหไม่น่าไม่น่าไม่น่าไม่น่าแบกแต่ก็ต้องแบกบางทีต้องแบกสี่ขาบ้างเป็นร้อยๆขาบ้างสองขาบ้างก็อยู่ตามต้นไม้ ใหญ่เลยถ้าไปแบกขันอย่างนั้นก็กลุ่มเลยนะเพราะความดับแห่งวิญญาณดวงสุดท้ายเหมือนดวงประทีนนั่นคือย่อมพ้นลัญญัติไปแล้วอย่างนี้เป็นรูปหรือเป็นอรูปคือถ้ายังต้องเกิดอยู่ก็จะต้องมีรูปหรืออรูปแต่พอวิญญาณดวงสุดท้ายดับไปแล้วจึงไม่มีสิ่งที่จะเรียกว่ารูปหรืออรูป เขาก็มีเรื่องเล่าเขาไว้ในสมัยนั้นว่าในบรรดาดวงประทีปที่เขาจุดไว้บูชาเทวดาประจํานครทั้งหลายนี่ทีนี้ดวงประทีปดวงหนึ่งดับไปเพราะผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงถึงการดับแห่งดวงประทีปนั้นไปจึงตรัสว่ายะทายมปดีโปเขาแปลว่าเหมือนดวงประทีปที่ดับแล้วก็คำนี้มีอยู่ในคาถาเก่า ที่กล่าวถึงเนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงคุณการบรรลุอนุปาทิเสสนิพานของพระปริยับุคคลทั้งหลายผู้ได้สดับพระป ร, ะริยัติธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ด้วยสองพระคาถานั้นแล้วปฏิบัติกระแสแห่งธรรมที่ตนได้ฟังมาแล้วจึงบรรลุโลกุตละทำก้าด้วยประการเชดนนีบัดนี้ทรงอาศัยคุณข้อนั้นนั่นเองเมื่อจะทรงประกอบสัจจวาจาเป็นสังขาธิฐานจึงตรัสว่า สังคราตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เหล่าสัตว์เป็นอันว่าในคาถาเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสแสดงสังคราตนะกล่าวคือพระนิพพานของพระขีณาสพทั้งหลายคําว่าพระขีณาสพเนี่ยคือพระอหรหันต์ขีณาสวะคนผู้ที่หมดอาสวะหมดกามมาสวะหมด ทิฏฐาสวะหมดพวาสวะอวิชาสวะโดยการที่กล่าวว่าเป็นรัตนะอันประนีด้วยสัจวาจาอันนี้เป็นอันป้องกอันอมนุษย์ในแสนโกรจักรวาลได้ในที่สุดแห่งเทศนารัตนสุดความสวัสดีได้มีแก่ราชตระกูลแห่งเมืองเวสาลีตลอดถึงอุปัถวทั้งปวงก็ได้สงบไป ในการที่พระพุทธเจ้าแสดงรัตนสูตรนั้นเนะ่สัตว์ได้บรรลุแปดหมื่นสี่พันคนไม่มีเราโอ้โหเต็ไมไปหมดเลยนะนี่แสดงครั้งแรกได้บรรลุแปดหมื่นสี่พันแลวไม่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นนะแล้วพระพุทธเจ้าก็เอามาสแสดงอีกยังความสวัสดีให้เกิดสัตว์ทั้งหลายคือ พ้นจากภัยทั้งสามประการด้วยแล้วก็ได้บรรลุธรรมด้วยคือสัตว์เหล่านั้นน่ยพ้นจากทุกภิกภัยทนพ้นจากอมนุษย์สะัยและพ้นจากโรคกระยภัยจากข้าวยากมาแพงภัยจากอมนุษย์ภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยสัตว์เหล่านั้นพ้นและยังเป็นปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายได้บรรลุคุณธรรมอีกแป0 0มนสี่พันคือพระอริยสงฆ์เกิดขึ้น ครั้งนั้นอีกตั้งแปดมือสี่พันท่านทีนี้พอต่อมาใช่ไหมพอแสดงธรรมนี้จบในครั้งนั้นเน่เท้าสกกะเทวราชยอมเทพแห่งชั้นดาวดึงซึ่งได้เสด็จมาร่วมประชุมอยู่ด้วยก็ได้ดำริว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยคุณของพระรัตนตรยัยทรงประกอบสัจวาจาทำความสวัสดีให้กระชาวพระนครแล้ว แม้พระ อ, องค์ก็ควรจะอาศัยคุณของพระรัตนตรัยกล่าวบางสิ่งบางอย่างเพื่อความสวัสดีแก่ชาวพระนครเวสาลีคือท้าวสากะก็เลยดำริว่าเมื่อพระบระมาศาสดาตรัตรัตนสูตรใช่ไหมแล้วก็ทําให้สัตว์เหล่านั้นเข้าถึงความสวัสดีจากทุกภิกขะไพอมนุทภยัยโรคภยัยและทําให้สัตว์เหล่านั้นได้บรรลุ ค, คุณธรรมอีกตั้ง8ปดหมสี่พันท่าน อย่างนั้นเลยเท้าเธอก็เลยคิดว่าเราก็จะกล่าวคาถาเพื่อให้เป็นสริริเป็นความสวัสดีแก่ชาวพระนครเวสาลีเหมือนกันเมื่อเท้าสกะดําริอย่างนั้นแล้วก็ได้ตรัสว่ายานีทะภูตานิสมาคาดานิพุมมานิวายานิวะอันตริขีแต่ท่าคาตังเดวมนุสปูชิตังพุทธังนมัสามะสวัตทีโหตุ แล้วก็ยานีถภูตาณิสมาคตานิภูมมานิวายานิวานตริเคตธาคาตังเดวมโนสปูชิตังธรรมังนมะสามะสุวัตถิโหตุยานีถภูตาณิสมาคาตาณิภูมานิวายานิวานตริเคตธาคาตังเดวมโนสปูชิตังสังคังนมะสามะสุวัติโหตุท้าสกากาแปลบอกว่าพูดเราใดประชุมกันแล้วในประเทศนี้ก็ดี คำว่าพูดนี่คือใครพูดคือเทวดาเนี่ยนะหรือภูมิมธาเทวดาเราใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีเราทั้งหลายจงนมัสการพระพุทธเจ้าผู้ไปแล้วอย่างนั้นผู้อันเด ว, วเทวดาแล้วมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่สัตวให้สังเกตตัวเนี้ว่าเท้าสกา่าในอ่างสัจจ์ อ้างความจริงแล้วก็บอกว่าพูดเราใดประชุมกันแล้วในประเทศนี้ก็ดีพุมธมัทเทวดาเราใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีเราทั้งหลายจงนมัสก า, ารพระธรรมอันเป็นไปแล้วอย่างนั้นอันเดวดาอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พูดเราใดประชุมกันแล้วในประเทศนี้ก็ดีหรือพุมธมัทเเทวดาเราใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดี เราทั้งหลายจงนมัสการพระสงฆ์ผู้ไปแล้วอย่างนั้นผู้อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีแกษัตว์เหล่านี้ในคาถาทั้งสามนั้นท่านอธิกาถาอธิบายบอกว่าเพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าได้รัดขนามพระนามว่าพระตถาคตใช่หพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกอีกพระนามหนึ่งว่าพระตถาคตเพราะพระองค์ทรงถึงประโยชน์ ประโยชน์สูงสุดคือประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยพระพุทธองค์ถึงเหมือนอย่างบุคคลทั้งหลายผู้ขวนขวายเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกจะพึงถึงพระองค์เสด็จไปโดยประการที่ชาวโลกผู้ขวนขวายเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกจะพึงถึงเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยก็ถึงประโยชน์สาประโยชน์ปัจจุบันจะประโยชน์ในภพบหน้าและเน้นถึงประโยชน์อย่างยิ่งเป็นประการรสําคัญ พระพุทธเจ้าที่ได like um. ้นามว่าพระตถาคตก็ถึงประโยชน์อย่างนี้เหมือนกันหรือผู้ที่ขวนขวายเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกใครอะไรที่จะขวนขวายประโยชน์สุกแก่ชาวโลกอย่างแท้จริงไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็เคยขวนขวายประโยชน์สุขแก่ชาวโลกใช่ไหมชาวโลกไม่ได้ประโยชน์ก็นําประโยชน์สามไปให้ใครที่พอจะรับปรามาถประโยชน์ก็นําปรามาถประโยชน์ไปให้ใครที่พอจะนํา ทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์ก็นำทิฏฐธรรมะกถาประโยชน์ไปให้ใครที่จะพอจะรับสัมปรายยิ่กถาประโยชน์คือประโยชน์ในพบหน้าพระองค์ก็นำสัมปรายิ่กถาประโยชน์คือประโยชน์ในพบหน้าไปให้พอพระองค์เสด็จไปโดยประการที่ชาวโลกผู้ขวนขวายเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกจะพึงถึงค้า่าเสด็จไปเนี่ยถามว่าพระตถาคตอีกนามหนึ่งก็แปลว่าไปดี เสด็จไปดีไปที่ไหนเนี่ยพระ อ, องค์ไปเพื่อจะนําสิ่งดีๆไปให้แล้วก็ไปสูพ่พระนิพพานพระองค์ทรงทราบสิ่งที่ชาวโลกผู้ขวนขวายเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกจะพึงทราบพระ อ, องค์ทรงรู้โดยประการที่ชนเหล่านี้จะพึงรู้พระ อ, องค์ทรงเสด็จไปอย่างนี้เพราะเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเทวดาและมือเรื่องหลายบูชาอันเหลือเกินด้วยอุปกรณ์มีดอกไม้และของหอมบินต้นซึ่งเกิดภายในตนและบูชาด้วยอุปกรณ์ มีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเ็นต้นเนี่คนที่เขาบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยเช่นว่าบอกว่าข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โลกุตระธรรมข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โลกุตรธรรมข้าพเจ้าขอบูชาพระดยสง์ด้วยการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โลกุตระธรรม ไอ้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าตามการปฏิบัติของเราท่านทั้งหลายเราต้องตั้งอธยาสายแบบนี้เพื่อแหละ ไ, ไม่ใช่ว่าเออข้าพเจ้าจะปฏิบัติทำตามใจของข้าพเจ้าอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมว่าใจของเราไม่ได้เอาโลกุตรรทำเป็นที่ตั้งต้องตั้งไว้ข้าพเจ้าจะปฏิบัติค่อยเป็นค่อยไปอันนี้ก็ไม่ใช่ต้องปฏิบัติทำให้ตามสมควรแก่โลกุตรธรรม ให้ตามสมควรแก่โสดาปฏิมาศ ก, กาธาคามีมากนาคามีมากอะไรจะมาคือให้คอยตามโลกุตรธรรมกาแต่อย่าไปบอกว่าออแล้วปฏิบัติยังไงก็ไม่รู้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ต้องให้สมควรแก่โลกุตรธรรมอันนั้นชื่อว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โลกุตตรธรรมไม่ชื่อว่าบูชาพระพุทธเจ้าไม่เชื่อบูชาพระพุทธเจ้าถ้าจาักบูชาพระพุทธเจ้าก็ต้องปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โลกุตตระธรรมนี่เป็นอย่างนี้นเพราะฉะนั้นท้าสก่าจอมเทศจึงได้ทรงรวบรวมเทวบริษัททั้งหมด พร้อมกับพระ อ, องค์ได้ตรัสว่าข้าพระเจ้านอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ไปแล้วอย่างนั้นผู้อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์ทั้งหลายอย่างดังนี้ก็พ่อในฝ่ายแห่งพระธรรมมรรคธรรมมีโสดาปฏิมรักษกาทาคามีมารกาคามีมรรคและอัลัมรรคมรรคสี่เนี่ยนะ เป็นธรรมอันบุคคลจะพึงถึงด้วยกำลังแห่งสมถะและกำลังแห่งวิปัสสนาทั้งสองชั้นใดคือคนที่จะสามารถบรรลุโลกุตลามารคเป็นต้น ấy, ก็จะต้องทาสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปใช่ไหมทำสมถะและวิปัสสนาสลับกันไปเพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดอริยสัจและบรรลุมารคนิพานธรรมอัน เป็นของพาริยาบุคคลผู้ตัดเศยซึ่งกิเลสทำย่อมถึงได้ฉ่นนั้นก็ทำมันบุคคลถึงแล้วคือแทงตลอดแล้วด้วยปัญญาชั้นใดนิพพานรำมันพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นต้นทรงบรรลุแล้วย่อมสําเร็จได้ก็เพราะกําจัดทุกข์ทั้งปวงได้ฉ่นนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าต ถ, ถาคตก็แปลว่าพระธรรมที่บุคคลถึงแล้วอย่างนั้นแต่ในพระสูตรท่านแปลว่าพระธรรมอันไปแล้วอย่างนั้นตรงนี้ก็แปลอย่างนี้นะบอกว่า เราทั้งหลายจงนมัสการพระพุทธเจ้าผู้ไปแล้วอย่างนั้นคําว่าผู้ไปแล้วอย่างนั้นเนี่ยเป็นชื่อของพระตถาคตไปอะไรคําว่าไปแล้วอย่างนั้นนะ่ยไปอะไรเพราะพระองค์จงถึงประโยชน์คือโ ล, โลกุตระคุณถึงโลกุตระคุณรู้โลกุตระประโยชน์ ถึงประโยชน์เหมือนที่พระพุทธเจ้าองค์ ก, ก่อนๆท่านไปเพราะพระองค์สเสด็จไปโดยประการที่ชาวโลกผู้ขวนขวายเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกจะพึงถึงเช่นพระพุทธเจ้าองค์ ก, ก่อนๆเนี่ยเวลาสเสด็จไปที่ไหนเนี่ยก็เอาประโยชน์สามไปให้เขาไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปเพื่อเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเนะเพราะพระพุทธเจ้าบรรลุประโยชน์ตนแล้ว แต่ไปนั้นเพื่อประโยชน์คนอื่นเป็นฮีตาประโยชน์ประโยชน์แกบุคคลอื่นไม่ใช่อัตตาประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ตนออย่างเราท่านทั้งหลายเวลาไปฟังธรรมอันนี้ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ท่านอันนี้ประโยชน์ตนใช่ไหมเราไปทำมาหากินเนี่ยประโยชน์ตนหรือประโยชน์ท่านก็ประโยชน์ตนเห็นไ้มแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์มรรูุประโยชน์ตนนะ พระองค์ก <departed. |mt|>. ็นําประโยชน์ไปให้กับบุคคลดีประโยชน์ในที่นั้นก็คือว่าใครไม่มีประโยชน์ในปัจจุบันพระองค์ก็หยิบยื่นประโยชน์ปัจจุบันให้ใครไม่มีประโยชน์ในภพหน้าก็ยื่นประโยชน์ในภพหน้าให้ใครไม่มีประโยชน์อย่างยิ่งกล่าวคือความสิ้นทุกข์พระองค์ก็ให้ประโยชน์อย่างยิ่งกล่าวคือความสิ้นทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็นําประโยชน์ไปให้อย่างอย่างเนี้ยได้นามว่าพระธถาคตเขาแปลว่าพระพุทธเจ้าผู้ไปแล้วอย่างนั้น ไปอย่างนั้นนะไปอย่างไหนคือเอาประโยชน์ไปให้เขาเป็นต้นทีนี้พระธรรมก็เหมือนกันพระธรรมเนี่ยก็ได้นามว่าพระตถาคตพระธรรมที่บุคคลถึงแล้วอ่ะแต่ในพระสูตรก็แปลว่าพระธรรมมันไปแล้วอย่างนั้นพระธรรมเนี่ยเช่นพระอริยบุคคลน่ะถึงพระธรรมพระสารีบุตรพระโมคคาราณะเป็นต้นเนี่ ผาเรียบบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยท่านถึงอะไรถึงพระธรรมเขาชื่อว่าพระธรรมอันไปแล้วอย่างนั้นก็คือบุคคลเนี่ยถึงพระธรรมแล้วอย่างนั้นถึงโลกุตระธรรมแล้วถึงแบบมั่นคงแล้วนี่เป็นอย่างนี้นะการถึงพระธรรมก็ชื่อว่าถึงพระพุทธแลวก็ชื่อว่าถึงพระสงฆ์ ส่วนพระสงฆ์ที่ชื่อว่าพระตถาคตไปแล้วอย่างนั้นก็ว่าท่านถึงความเป็นพระสงฆ์ด้วยมรคนะั้นถ้าใครได้บรรลุเป็นบรรลุโสโดาปิมรคเป็นต้นเหล่าเนี้ยถ้านเหล่านั้นจะเป็นพระสงฆ์แล้วเขาเรียกเป็นอริยสงฆ์เป็นคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษอย่างเราเนี่ยนะสมมุติฟังธรรมนี่ยนะฟังไปฟังมาแล้วไปแทงตลอดอริยสัจเนี่ยทั้งๆ ท, ที่เป็นฆราวาสอย่างนี้เป็นพระอริยสงฆ์เลยเป็นพระอริยสงฆ์เลยนะย ไม่ใช่สงฆ์ธรรมดาแล้วน่าเป็นกันเนี่ยเป็นปาริยสงฆ์ใครขากาบไหว้ก็กาบเราครั้งหนึ่งใช่ไหมตอนนี้เรากาบคนอื่นด้วยกน mm hmm. ฉะนั้นท้าวสกาจอมเทพจึงได้ตรัสสองคาถาที่เหลือว่าเราทั้งหลายจงนมมสการพระธรรมอันไปแล้วอย่างนั้น ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์ทั้งหลายเราทั้งหลายจงนมัสการพระสงฆ์ผู้ไปแล้วอย่างนั้นขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์ทั้งหลายรวมความว่าเท <c oughs> ้าสกะตรัสพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าชื่อว่าตถาคตคือไปแล้วอย่างนั้นทั้งสิ้นตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้วทีนี้เท้าสกะคั้นตรัสคาถาทั้งสามอย่างนี้แล้ว ทรงกระทำประทักษิณพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสเสด็จไปยังพระนครพร้อมกับเทพบริษัทธเป็นอันว่าในวันแรกของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงรัตนสูตรอย่างนี้แม้ในวันที่สองตลอดจนถึงวันที่เจ็ดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงสแสดงอย่างนี้ทุกวันที่ทรงแสดง ก็แปลว่าพระพุทธเจ้าแสดงรัตนสูตรเนี่ยแสดงวันที่หนึ่งสัตว์ก็ได้บรรลุแปดหมื่นสี่พันวันที่สองก็ได้บรรลุแปดหมื่นสี่พันวันที่สามก็ได้บรรลุแปดหมื่นสี่พันแสดงอย่างนี้ถึงเจ็ดวันนะสัตว์ได้บรรลุครั้งละแปดหมื่นสี่พันท่านแปดหมืนสี่พันท่านเนี่ยนะบรรลุมากมายจริงๆเลนะเยอะไหม เนี่ยพอเขาฟังสูตรนี้กันแล้วเขาก็พากันสะดุ้งสะเทือนนะอย่างเราทั้งหลายนี่บางทีก็นึกว่าหืมเรานี่ไปอยู่ที่ไหนนะเขาบรรลุ ก, กันออกลืมลาลืมลาแสดงให้เห็นชัดเลยว่าเราเนี่ยไม่ได้สร้างอัธยาสัยอะไรไว้เลยเนี่ยนะเนี่ยสร้างไว้อย่างน้อยนิดเลยก็เขาบรรลุ ก, กันรังทีนี่แผ่นดินก็สะทานสะเทือนหวั่นไหวเนี่ย ไม่รู้ิเกิดเป็นอะไรไปทำอะไรอยู่เนี่ยเนี่เนี่ยพอศึกษาตรงนี้แล้วก็ทำให้คิดหนักเลยตอนนี้ต่อไปไม่ละไอ้ประเภทที่เขาทำอะไรกันก็ไม่ค่อยตื่นกับเขาเลยเนี่ยเนี่ยเาสะกิดแล้วก็ยังนอนหลับทับศิกเดี๋ยวนี้โอ้โหมัวเพิดเพลินอะไรอยู่ก็ไม่รู้คาว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยธรรมดาจะเมื่อไหรใช่ไหม น่าจะนึกวแวบนึกอะไรต่างๆบางคนไม่นึกเลยเนี่นั่นสิเจ็ดวันวันละแปดหมื่นสี่พันโอ้โเล่นซะเกือบหมดเมืองเลยนะอันนี้เขารวมเทวดาด้วยรวมเทวดาด้วยดยมากส่วนมากก็เป็นกลุ่มเทวดาจะบรรลเยอะ พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เมืองเวสาลีเป็นเวลาครึ่งเดือนคือสิบห้าวันแล้วจึงทรงประกาศการเสด็จกลับไปยังกรุงราชคฤห์พระราชาทั้งหลายจึงทรงนำพระผู้มีพระภาคเจ้าไปถึงยังฝั่งแม่น้ำคงคาโดยใช้เวลาสามวันแล้วก็ได้จัดเครื่องสการาถวายเป็นสองเท่าของพระย่อปีมิสารที่นี้ฝ่ายพวกนาคราช ซึ่งเกิดในแม่น้ำคงคาก็พากันคิดว่าได้ไปแม่น้ำคงคาไหมอันนี้สมัยสองพันกว่าปีนะใหญ่กว่านี้ไม่ใช่เล็กๆแบบนี้พวกมนุษย์ทั้งหลายทำสการะบูชาพระตถาคตเป็นอันมากพวกเราจะไปทำอะไรดีหรือเนี่ยคิดแล้วจึงได้เนลมิตรเรือทั้งหลายทำด้วยทองและเงินและแก้วมั น, นี ให้ปูราดบรรลังที่สําเร็จได้ทองและเงินและแก้วมณีเหมือนกันทําให้แม่น้ําคงคาจระดาษไปด้วยดอกบัวสีห้าสีนะแล้วก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลขอให้หนูเคราะพวกตนเนลมิตรเรือแล้วเป็นต้นเหล่านะั้นเนลมิตรดอกบัวบูชาแล้วเป็นต้นแล้วยังไม่พอยังไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระเจ้าอนุเคราะห์คือรับนะ น, นะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับนิมนต์แล้วก็เสด็จลงเรือรัตนะ พิกษู500่ห้าร้อยลูกก็ลงเรือของตนของตนหน้าคลาดทั้งหลายก็ทูลนิ ม, มนต์พระพุทธเจ้ากับพิกษุสง์ให้เข้าไปสู่นาคภพออกมาทั้งทีให้ไปปลอดที่เมืองพญา น, นาค้ดยนี่คนมีฤทธิ์เนี่ยไปที่ไหนก็ได้ในยุคปัจจุบันเวลาจะอธิบายเกี่ยวในเรื่องตรงนี้คนก็จะหลีกเลี่ยงกันไม่กล้าไม่กล้าพูดกลัวว่าจะเป็นการเป็นการพูดไม่ถูก พูดไปเธอก็พระพุทธเจ้าไม่ใช่บุคคลธรรมดาอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยนั้นพระองค์จะลงไปในหน้ากระบี่พก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาได้ยินมาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงธรรมแก่นาคตลอดคืนในหน้ากระบี่พนั้นในวันที่สองทีนี้พวกนาคก็ได้ถวายทานด้วยของคนเคี่ยวของคนบริโภคอันเป็นทิพย์ พระผู้มียภาคเจ้าบริโภคอนุโมทนาแล้วก็เสด็จออกจากหน้าาภพิภพส่วนภูมิมัทเทวดาก็คิดว่าพวกมนุษย์ทั้งหลายและนาคได้กระทำสการะแก่พระพุทธเจ้าเป็นอันมากพวกเราจักไม่กระทำอะไรแลหรือดังนี้แล้วก็ได้ยกฉัดซ้อนฉัดขึ้นที่ป่าพุ่มไม้ต้นไม้และภูเขาเป็นต้น โดยทํานองที่ส ก, การะใหญ่แสนวิเศษได้บังเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงอาการนิถภพพะเทวดาชั้นต่ำบูชาเทวดาชั้นสูงก็พากันบูชาหมดเลยนะลองคิดดูว่าเริ่มตั้งแต่จารุมาหาลาชิกาเป็นต้นไปตาวติงสายามาดุสิตานิมานรดีปรนิมิสว ส, วสวัสดีเนี่ยนะไปจนถึงอากณานิถภพ กั้นฉับบ้างบูชาก็เป็นการใหญ่โดยสรุปแล้วก็คือเทวดาทุกภพเนี่ยไม่ทากิจอย่างอื่นเลยวันนั้นเนี่ยทากิจก่าวคือการบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้ า, จาฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่ถึงปัณนี้เนี่ยยิ่งใหญ่ถึงบัณ น, นี้เนี่ยอันมนุษย์และเทวดาทั้งหลายบูชาแล้ว ชถ้าหากว่าคนมองเห็นกันหน่อยใช่ไหมก็บอกโอ้โหลานตามากบางทีเราเห็นขบวนแห่ละขบวนบูชาอะไรเนี่ยเรานึกโอ้โหยิ่งใหญ่แล้วนะคนมากันพันสองพันเนี่ยโอ้โหนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยมั้งอันนี้คนไม่รู้กี่โกฎเลี้ยงแถวกันบูชาเนี่ยนะแม้พระเจ้าพิมพิสารก็ได้กระทำส ก, กาละเพิ่มเป็นสองเท่ากว่าที่เจ้าฤิ์ชวีทั้งหลายใ้เวลาห้าวัน ในการเสด็จเนี่ยนะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงกรุงราชคลีตามลำดับภิกษุทั้งหลายที่ประชุมกันที่โรงกรมแล้วก็โรงพัดและก็ได้เกิดการสนทนากันขึ้นว่าอานุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้ามากหนอภูมิภาคแปดยอจนถึงฝั่งแม่น้ำคงคาภาคนี้ไปยังฝากโน้นอันพระธรรมราชา แล้วก็มหาชนกระทาที่ลุ่มและที่ดอนให้า่าเพล่งเสมอกันเกลี่ยด้วยทรายแล้วก็ล่าด้วยดอกไม้น้ำในแม่น้ำคงคาประมาณหนึ่งโยน์ก็ดารดาดไปด้วยดอกประทุมนานาพันเทวดาทั้งหลายก็ยกฉัดซ้อนฉัดขึ้นถึงชั้นอคนิตพบทีเดียวพากันเจาะจงถวายสการะพระพระเจ้าคือพระก็สนทนากันพระก็คุยกันใช่ไหม บอกโอ้โหอํานุภาพของพระผู้มีภาคเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่ถึงปานนี้เนอะว่างั้นนะยิ่งใหญ่ถึงขนาดบอกว่าระยะในแปดยดเนี่ยยอดละสิบหกกิโลเมตรเนี่ยบอกว่าจากฝั่งแม่น้ำคงคาจากฝากนี้ถึงฝากโน้นเนี่ยพระราชามหาชนเนี่ยทาที่รุ่มไม่เป็นที่ดอนทำที่ไม่เสมอทำให้เป็นเสมอกันเนี่ยแล้วก็บูชาด้วยดอกไม้ของหอม และในแม่น้ำคงคาก็ดาราเดิดไปด้วยดอกไม้เต็มไปหมดและไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นเทวดาชั้นจาตุมหาลาชิกาตาวติงสายามาดุสิตเป็นต้นนันเอต่างคนก็ยกฉัดช้อนซ่อนฉัดคือว่ามาบูชาพระพุทธเจ้านะกัน้นกันให้ทั้งๆ ท, ท, ที่อยู่ไกลแสนไกลนี่ก็พากันกันนะวัตถุประสงค์เพื่อต้องการจักบูชาคุณของพระผู้มีพระเจ้า แล้วก็บูชาแบบเจาะจงด้วยนะแบบพระพุทธเจ้าเท่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้นะไม่ใช่ธรรมดานะนั้นการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยโลกสะเทือนเลื่อนลั่นขนาด น, นั้นที่มานั่งคิดว่าเอ๊ะพวกเราทำไมไม่ได้ยินใช่ไหมก็เขาทำการบูชากันอื้ออึงถึงชั้นอัคนิธภพบตั้งแต่หน้ากบิภพบเลยลองคิดดูใช่ไแล้วก็มนุษย์แล้วก็เทวดา ทุกชั้นเลยอะเอแล้วพวกเราทําไมไม่มีอัธยาศัยบ้างใช่ไหมหรือไปเกิดเป็นอะไรตอนนั้นนะสงสัยสี่ชั้นเนี่ยนะเปตุสุรกายสัตว์ดิราฉานสันนิโรภี่สี่ชั้นไม่รู้เรื่องกับเขาเลยเนี่ยสี่ชั้นนี่ไม่รู้เลยนอกนั้นก็รู้แต่ไม่แน่นะเราอาจจะเป็นคนป่าคนเถื่อนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อันนี้ ไม่รู้นะแต่อาจจะมีท่านผูดด้ใดไปนั่งบูชาเขาก็ได้ไหมให้สังเกตดูว่าอัธยาศัยมันน้อมจากบูชาไหมใช่ไหมพอได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยขนลุกขนชันบ้างไมใ้องคิดคิดตรงนี้ถ้ามันไม่ค่อยมีเลยแสดงว่าอัธยาศัยอัธยาศัยไม่ค่อยมีเหมือนกันเนี่ย พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเรื่องนั้นแล้วก็เสด็จไปยังโรงกลมด้วยปาฏิหาริย์อันเหมาะสมในขณะนั้นก็ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูราดไว้แล้วก็ได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอประชุมกันด้วยเรื่องอะไรภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลเรื่องนั้นได้ทรงทราบพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการบูชาพิเศษนี้หาได้เกิดขึ้นด้วยอนุภาพของเราไม่ หาด้วยเกิดขึ้นด้วยอนุภาพของนาของเทวดาหรือของพรมหมไม่โดยที่แท้การบูชาพิเศษที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งการบริจาคอันมีประมาณน้อยของเราภิกษุทั้งหลายจึงการาบทูลขอให้เล่าเรื่องการบริจาคให้ทราบคือพระพุทธเจ้าเลยบอกให้ทราบเลยบอกว่าที่พระจะถาคตได้ฐานะคือการบูชาเช่นเนี้ ไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยอนุภาพของมนุษย์อนุภาพของเทวดาอนุภาพของนาคอนุภาพของพูทธาเจ้าหรือของพระธรรมพระสงฆ์นะแต่เกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งการบูชาด้วยการอนุภาพของทานที่เราเคยทำไว้ก็อยากรู้ไหมพระเจ้าทาทานอะไรคนถึงบูชายิ่งใหญ่ถึงวันนี้พระพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังพระเหล่านั้นก็บอกว่าอยากจะฟังยู่ไ พระพุทธเจ้าก็เลยเล่าเรื่องในอดีตของพระ อ, องค์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วได้มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าสังขะอยู่ในเมืองตักศีลามีบุตรชายชื่อว่าสุสีมาเมื่อสุสีมาอายุสิบหกปีก็ได้ไปหาบิดาบอกว่าจะไปเรียนวิชาที่เมืองพระนสีบิดาก็อนุญาตและบอกว่าพ่อ มีเพื่อนอยู่ที่เมืองพราราณสีจงไปสู่สำนักเพื่อนของพ่อแล้วก็เรียนวิชาเถิดบอกแล้วก็ให้ทรัพย์หนึ่งพันกหาปณะนะทีนี้สุสีมะเนี่ยรับทรัพย์ลาบิดามารดาแล้วก็เดินทางไปเมืองพราราณสีไปหาอาจารย์ผู้เป็นเพื่อนของสังฆพราหมณ์ผู้เป็นบิดาโดยวิธีเข้าไปไหว้ใกล้ๆแล้วก็แนะนําตัวเอง อาจารย์ทราบว่าสุสีมะเป็นลูกชายของเพื่อนก็รับไว้แล้วก็ต้อนรับอย่างดีนี่ยสุสีมะคันพักผ่อนจนหายเมื่อยล้าแล้วจากนั้นเนี่ยก็เดินทางไกลก็เข้าไปหาอาจารย์มอบทรับ พ, พันหนึ่งให้วางไว้ใกล้เท้าของอาจารย์ขอการเรียนวิชาอาจารย์ให้โอกาสแล้วก็สอนวิชาให้สุสีมะนั้นเรียนไว้เรียนได้อย่างรวดเร็วและอย่างไวมากจดจําในสิ่งที่เรียนไว้ได้โดยไม่ลืม เหมือนน้ำมันที่ใส่ไว้ไในภาชนะทองเช่นั้นทีนี้สุสีมาเรียนวิชาที่คนทั้งหลายต้องใช้เวลาเขาบอกถ้าคนทั้งหลายเขาเรียนเนี่ยต้องใช้เวลาสิบสองปีแต่สุสีมาเรียนสามเดือนจบนี่หัวดีนะใครสามารถเรียนวิชาคนที่จะต้องใช้เวลาเรียนสิบสองปีใช้เวลาเรียนสามเดือนจบเนี่ยเนี่ยเมื่อทําการสาธยายเห็นเบื้องต้นท่ากลางของ ศิลปะวิชานั้นแต่ไม่เห็นที่สุดไม่เห็นที่สุดของวิชาเข้าไปหาอาจารย์เรียนให้ทราบว่าตนเห็นแต่เบื้องต้นและท่ามกลางของวิชาที่เรียนนี้เท่านั้นแต่ไม่เห็นที่สุดอาจารย์ก็รับว่าแม้ท่านก็ไม่เห็นที่สุดเช่นกันสุสีมาก็ถามว่าแล้วใครเล่เาที่เห็นที่สุดของศิลปะวิทยานี้อาจารย์ก็ตอบว่าที่ปายอิสิปัตนาเนี่ย มีฤาษีอาศัยอยู่ฤาษีเหล่านั้นเน่ยคงทราบที่สุดของวิชานั้นสุสีมาก็บอกว่าจะไปหาฤาษีเหล่านั้นแล้วก็สอบถามก็ขออนุญาตอาจารย์แล้วก็ไปสุสีมามานพก็ไปยังป่าอิศิ ป, ปัตนะก็ไปหาฤาษีฤาษีในที่นี้ก็คือพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนะีเป็นพระพุทธเจ้าจําพวกหนึ่งที่ตัดสู้เองแต่ไม่สามารถสอนคนอื่นให้ตัดสู้ตามได้ แล้วก็ถามที่สุดของศิลปะพร้อมทั้งขออนุญาตศึกษาพระปัเจ ก, กพุทธเจ้าตอบให้ทราบว่าการเรียนวิชานั้นต้องบวชถึงจะเรียนได้ผู้ที่ไม่บวชไม่อาจจะเรียนได้สุสีมาก็ยินยอมบวชพระปัเจ ก, กพุทธเจ้าคั้นให้สุสีมาบวชแล้วก็ไม่อาจสอนกรรมฐานได้ได้แต่ให้ศึกษาอภิสมาจาริกวัดโดยในว่าเธอพึงนุ่งห่มผ้าอย่างนี้เป็นต้น คือวัดแบบศีลแบบข้อรายละเอียดเนะ่เช่นการอุปธาการดูแลการบาเพ็ญวัดการปฏิบัติครูอาจารย์ปฏิบัติอุปชาการกวาดวิหารลานโพเป็นต้นเหล่านี้ตลอดถึงการนุ่งห่มให้เรียบร้อยเนะี่ยสุสีมาเป็นศึกษาอยู่ที่ป่านั้นไม่นานเลยก็ได้บรรลุพระปัจเจกับโพธิญาณ เพราะความที่ท่านสุสีมะนั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยปรากฏว่าพระปัจเจกพบพุทธเจ้าสุสีมานั้นเป็นผู้เลิศดด้วยลาบและเลิศดด้วยยศพรั่งพร้อมด้วยบริวารแต่ท่านมีชีวิตอยู่ไม่นานก็ปรินิพานเพราะเหตุที่ท่านทำเหตุที่เป็นเหตุให้อายุน้อยไว้ในอดีตคือสุสีมานี่ต่อมาบวชแล้วได้ได้บรรลุปเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า พอได้บรรลุเป็นพระเจพระเจกัพระเจ้าแล้วท่านปรินิพานเพราะท่านทําเหตุแห่งการเป็นคนมีอายุน้อยคนเราเนี่ยนะถ้าสร้างเหตุของความเป็นผู้มีอายุน้อยก็น้อยสร้างเหตุของความเป็นผู้มีอายุมากก็มากเว่านี้นะพระปัจเจกับพทธเจ้าทั้งหลายกับมหาชนทําการเผาศรีระของท่านเก็บเอาพระาธาตุทั้งหลายประดิษฐานไว้ในสถูปใกล้พระนครฝ่ายสังฆทานผู้บีดาก็คิดว่า ลูกเราจากไปเรียนวิชานานแล้วไม่ได้ข่าวเลยก็คิดถึงลูกออกเดินทางไปเมืองพาราณสีเมื่อถึงเมืองพาราณสีเห็นมหาชนชุมนุมกันก็คิดว่าในบรรดาคนหมู่มากเหล่านี้คงมีใครสักคนหนึ่งที่รู้เรื่องลูกชายของเราจึงเข้าไปถามว่าลูกใครรู้จักลูกของตนเองหรือรู้จักหนุ่มที่ชื่อว่าสุสีมามหาชนก็ตอบว่ารู้จัก เขาเป็นคนเรียนจบไตรเพศในสำนักของพราหมณ์ในในคร น, นี้แล้วบวชในสำนักของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายสําเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเาบัดนี้ปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุพระสถูปองค์นี้มหาชนสร้างไว้เป็นที่บรรจออออุอธิธาติของท่านบิดาได้ฟังแล้วก็เอามือทบแผ่นดินร้องไห้คร่ำครวญไปยังลานพระสถูป ก็จไร้ไองไห้ทุกแผ่นดินถอนหญ้าที่ขึ้นอยู่ในบริเวณนั้นออกใช้ผ้าหม่มผ้าห่มไปห่อทรายขนมะเกลียลงไว้ที่ลานพระเจดีของพระประเจคพระพุทธเจ้าสุสิมะนั้นประพรมด้วยน้ำจากคนโทบูชาด้วยดอกไม้ป่าทั้งหลายใช้ผ้าห่มทำเป็นธงประตักผูกฉัด ของตนไว้เบื้องบนของพระสถูปจะดีแล้วจึงหลีกไปทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวในอดีตที่พระผู้มีภาคเจ้ายกมาเล่าให้พิกูุนทั้งหลายฟังเห็นไหมเนี่ยอันนี้สองแค่นเนี้ยึลงไปรีบไปบูชาพระธาตุกันใหญ่แนีน้โอ้คนบูชาขนาดนี้นะขันพระผู้มีพระภาคเจ้างแสดงอดีตนี้ทานอย่างนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบต่อนุสนธิชาดกนั้น เชื่อมกับเหตุการณ์ในปัจจุบันจึงได้ตรัสคาถาแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายไม่พึงเห็นข้อนั้นอย่างนี้ว่าคนอื่นจะพึงเป็นสังฆลพามที่แท้เรานั่นแหละเป็นสังฆาพามในสมัยนั้นเราได้ถอนหญ้าที่ลานพระเจดีของพระสุสีมะพระพระปเจกับพุทธเจ้าด้วยผลอันไหลมาจากกรรมอันนั้นของเราชนทั้งหลายได้กระทํา ผนทางยาวประมาณแปดโยศให้ปราศจากต่อได้นะแค่เราถอนหญ้าออกจากเจดีตรงนั้นเนี่ยที่เรามาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยผลบุญอันนั้นเนี่ยระยะทางแปดโยศคนถางยิ่นเรือตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่ ก, ก็ทำซะอย่างดีเลยเนี่ยผลของการบูชาพระธาตุของพระประเจกพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ถึงบันนี้นะแค่แค่ถอนหญ้านะ แค่นั้นมีพอแล้วทำพื้นที่ให้ใหสะอาดส่วนกรรมที่เราได้เกลี่ยทรายลงที่ลานพระเจดีย์นั้นด้วยผลแห่งกรรมนั้นชนทั้งหลายเกลี่ยทรายในหนทางประมาณแปดยอดการที่เราได้บูชาพระสถูปได้ดอกไม้ป่ามีผลให้ชนทั้งหลายลาดหนทางเก้ายอดทั้งบนบกและทางน้ำด้วยดอกไม้นานาชนิดเราได้ประพฤติเราได้ประพรม ืนนั้นด้วยน้ำจากคนโทที่ลานพระเจดีด้วยผลอันไหลาจากกรรมนั้นผลโบกคารพัฒจึงตกมาที่เมืองเวสาลีเราได้ยกธงประตักและผูกฉัดไว้ที่เบื้องบนพระเจดีของพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยผลอันไหลาจากกรรมของเรามนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้ยกธงประตักและยงฉัซ้อนฉัดขึ้นไปจนถึงอาคนิถภพบ ดูก่อนพิกษุทั้งหลายก็การบูชาพิเศษนี้ไม่ได้บังเกิดขึ้นด้วยพุทธานุภาพของเราหรือไม่ได้เกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งหนาคเทวดาหรือของพรหมแต่บังเกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งการบริจาคอันเป็นประมาณน้อยของเราในการเมื่อเราเป็นสังฆพรามนั่นเองอันนี้ก็ไปพิจารณาดุกำรรต่อนี้นะ่กรรมแห่งการบูชาพระาธาตุพระบรมสารีริกธาตุนี่เป็นกรรมที่ เป็นกรรมที่ยิ่งใหญ่นะกรรมฟังธรรมนี่ก็ยิ่งใหญ่นะก็ยิ่งใหญ่ทั้งหมดนี้เป็นการสรุปผลของกรรมในอดีตของพระผู้มีพรภาคในการที่เป็นสังฆพ า, านซึ่งแม้จะเป็นกุศลกรรมเล็กน้อยแต่ก็ให้ผลมหาศาลแก่พระองค์คือให้สาการะบูชามีประมาณยิ่งๆในเวลาที่พระองค์เสด็จเมืองเวสาลีที่เกิดอุทกภัยรวมในคราวที่เสด็จถึงกรุงราชครึ ในคราวที่อุปัตถวภัยเหล่านั้นสงบลงแล้วทีนี้เรื่องราวในอดีตพร้อมทั้งการให้ผลของกรรมอันเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าได้รับสกาละใหญ่จากเทวดาและมนุษย์ที่พระพุทธเจ้าทรงเล่านี้ก็เพื่ออะไรจะ แ, แก้ข้อสงสัยของภิกษุทั้งหลายที่พากันอัศจรรย์ใจในอนุภาพของพระพุทธเจ้าว่าทําไมถึงมากมายถึงเพียงนั้นก็ให้คลายความสงสัย ความอัศจรรย์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าแต่เกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งบุญเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะที่พระองค์ได้กระทํามานานแล้วในคราวเมื่อเกิดเป็นสังฆพราหมณ์ฉะนั้นเมื่อพิจารณาอย่างนี้ก็จะได้ชื่นชมบุญกุศลที่ที่ได้กระทํากันไว้ในลักษณะอย่างนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสเข้าไว้บอกว่า บุญเล็กน้อยนั้นก็ยังมีผลให้เกิดความสุขหม้อน้ำที่เปิดปากไว้แม้น้ำจะหยดลงทีลันหยดก็สามารถเต็มหม้อนั้นได้ชันใดบุญเล็กน้อยที่บุคคลทำบ่อยๆก็ย่อมจะพอกพูนเต็มเปี่ยมได้เหมือนหยดน้ำที่หล่นลงมาเต็มหม้อฉันนั้นเหมือนกันในทางตรงกันข้ามนะนะเราก็ไม่ควรประมาท บาปเล็กน้อยว่าเออบาปเล็กๆน้อยน้อยเนี่ยถ้าทำบ่อยๆเนี่ยว่าจะไม่ให้ผลไอ้ทำบ่อยๆเนี่ยมันก็เต็มเหมือนกันนะไม่ว่าบาปหรือบุญเพราะพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่ามัตตาสุขะปริจาคาปัเสเจวิปุรังสุขังจะเชมัตตาสุขังทีโรสัมปัก ส, สังวิปุรังสุขังก็แปลว่า ถ้าหากบุคคลพึงเห็นความสุขอันไพ่บูรเพราะการสละความสุขอันพอประมาณใจก็พึงสละความสุขอันพอประมาณเสียนักปราชญ์เมื่อเห็นความสุขอันไพ่บูรก็พึงสละความสุขอพอประมาณเสียดังนี้คาถานี้นะไม่ใช่คาถาในรัตนสูตรแต่เป็นคาถาที่พุทธเจ้า ตรัดแก่ประชุมชนในการที่แสดงรัตนสูตรจบแล้วพร้อมทั้งยกเรื่องราวในชาดกมาเล่าประกอบเป็นอานิสงส์แห่งการบูชาด้วยจึงได้ตรัสคาถานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้สละความสุขพอประมาณเมื่อเห็นความสุขอันไพบู์อะไรคือความสุขพอประมาณอะไรคือความสุขอันไพบูนคนส่วนมากเนี่ยติดอยู่ในความสุขพอประมาณเช่น การได้กินได้หลับได้นอนมีเงินมีทองใช้เป็นต้นเนี่ยนะเด็ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นความสุขเล็กๆในๆนะ้อยเนี่ยเป็นความสุขที่ยังเจือด้วยกิเลสแต่ความสุขที่แท้จริงก็คือความสุขที่ไม่เจือด้วยกิเลสความสุขที่เกิดจากการทำลายกิเลสให้สิ้นไปความสุขนี้แหละเป็นความสุขอันไปบุญนคะ่นั้นบุคลคลควรแสวงหา ความสุขที่ปราศจากกิเลสการที่เราจะได้ความสุขที่ปราศจ า, จากกิเลสได้นั้นก็จะต้องเจริญสติปัฏฐานสัมมารประฐานเป็นต้นฉะนั้นในสูตรนี้พระพุทธเจ้าแสดงยาอานิทพูตานีสมาคตานีเป็นต้นเป็นบาลีนะสรุปตรงนี้ก็คือว่าคาแปลทั้งหมดก็คือว่าคาแปลทั้งหมดเลยนะ บอกว่าพูดเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศก็ดีหรือภูมิธาเทวดาเหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีขอหมู่พูดและเทวดาจงเป็นผู้มีใจดีขอจงฟังภาสิตธ์โดยเคารพดูก่อนพูดทั้งปวงเพราะเหตุนั้นแลท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังขอจงแผ่เมตตาเจตให้กับมนุษย์มนุษย์เหล่าใดทําพรีกรรมในทั้งกลางวันและกลางคืนท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาท ร, รักษามนุษย์เหล่านั้น ทราบเครื่องปลื้มใจอย่างใดยอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่นหรือในรัตนาอันประณีตในสวรรค์ทราบและรัตนะเหล่านั้นเสมอด้วยพระตาคตย่อมไม่มีพุทธรัตนาแม้นี้เป็นรัตนาอันประณีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เหล่าสัตว์ภาษากยมุนีผู้ประพฤติผู้มีพระหาไทัยมั่นคงได้บรรลุธรรมอันเป็นที่สิ้นกิเลสเป็นที่สำรอกกิเลส เป็นอมดาธรรมอันปรานีธรรมชาติอะไรอะไรอันเสมอโดยพระธรรมนั้นย่อมไม่มีธรรมรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันปรานีด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงเจริญแล้วซึ่งสมาธิใดว่าเป็นธรรมันสะอาดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวสมาธิใดให้ผลในลำดับตนสมาธิอื่นเสมอด้วยสมาธินั้นย่อมไม่มี ธรรมรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีดด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้บุคคลเหล่าใดแปดจำพวกสี่คู่อันจัดบุรุษทั้งหลายสารเสรยิยแล้วบุคคลเหล่านั้นควรทำทักษิณาทานเป็นสาวกของพระสุคตทานที่บุคคลถวายแล้วในท่านเหล่านั้นย่อมมีผลมากสังครัตนะแม่นี้เป็นรัตนะอันประนีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้ พระิยบุคคลเหล่าใดในศาสนาของพระโครโดมประกอบด้วยดีแล้วมีใจมั่นคงเป็นผู้ไม่มีความห่วงใยพรริยาบุคคลเหล่านั้นบรรลุอรหัตผลที่ควรบรรลุอย่างลงสู่อมะตะนิพพานได้สึงความดับกิเลสโดยเปล่าเสวยความสุขอยู่สังฆรัตนแม่นี้เป็นรัตนประณีด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจะมีแก่หลาสัตว์เหล่านี้เสาเขื่อนที่ฝังลงดินไม่หวั่นไหวเพ่อลมทั้งสี่ทิศแม้ฉันใด ผู้ใดพิจารณาเห็นอริยสัตว์ทั้งหลายเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นสัตว์บุรุษผู้ไม่หวั่นไหวเพราะโลกธรรมมีอุปมาฉันนั้นสังขารตนะแม่นี้เป็นรัตนะอันประณีด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจึงมีแก่สัตว์เหล่านี้พระเรียบุคคลเหล่าใดทําให้แจ้งซึ่งอริยสัตว์ทั้งหลายอันพระสถาคตแสดงดีแล้วด้วยปัญญาอันลึกซึ้งพระเรียบบุคคลเหล่านั้นยังเป็นผู้ประมาทอย่างแรงกล้าก็จริง ถึงกันนั้นท่านไม่ยึดถือเอาภพที่8สังครัตนาแม้นี้เป็นรัตนาอันบันี้ด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เหล่าสัตว์ยะยะทิฐิและวิจิกิจฉาและสีรับพระจปรามาตอันใดอันหนึ่งมีอยู่ทำเหล่านั้นอันพระอาริยบุคคลละได้แล้วพร้อมด้วยการถึงด้วยความเห็นพระนิพพานทีเดียวอันหนึ่งพระ อ, อริยบุคคลผู้พ้นแล้วจากอบายทั้ง4ทั้งไม่ควรเพื่อทําอภิธานทั้งหกคืออันตริยกรรมและการเข้ารี สังครัตนาแม้นี้เป็นลัตนานปรานีด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแกเหล่าสัตว์ภริะเรยบุคคลเหล่านั้นยังทำบาปประรมด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจยอยู่แม้ก็จริงถึงกันนั้นท่านก็ไม่ควรเพื่อจะปกปิดบาประกรรมมันนั้นความที่บุคคลผู้มีธรรมเครื่องถึงพระนิพพานตนเห็นแล้วเป็นผู้ไม่ควรเพื่อปกปิดบาประกรรมนั้น พระผู้มีพระเจ้าตรัสแล้วว่าสังขรัตนาแม้นี้เป็นรัตนาอันประณีดด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัส ด, ดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พุ้มไม้ในป่าไม้มียอดอันบานแล้วในเดือนต้นในคิมหันแต่รดูแม้ฉันใดพระผู้มีพระเจ้าทรงสแสดงธรรมอันประเสริฐเป็นเครื่องให้ถึงพระนิพพานเพื่อประโยชน์เพื่อกูลอุปมาฉันนั้นพุทธรัตนาแม้นี้เป็นรัตนาประณีดด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัส ด, ดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้ พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงทราบธรรมันประเสริฐไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าได้ทรงแสดงธรรมันประณีตพุทธรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะประณีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัส ด, ดีจงมีแก่เหล่าสัตว์เหล่านี้พระ้าแยบบุคคลเหล่าใดผู้มีกิจอันหน่ายแล้วในพบต่อไปมีกรรมเก่าสิ้นแล้วไม่มีกรรมใหม่เป็นเครื่องสมเ พ, พาะผ้าแยบุคคลเหล่านั้นมีพืชอันสิ้นแล้วมีความพอใจไม่งอกงามแล้วเป็นนักปราชดย่อม นิพพานเหมือนประที่อันดับแล้วฉะนั้นสังฆรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เหล่าสัตว์พูดเราได้ประชุมกันแล้วในประเทศก็ดีหรือภูมิทัตเทวดาเราได้ประชุมกันแล้วในอากาศเราทั้งหลายจงนมัสการพระพุทธเจ้าผู้ไปแล้วอย่างนั้นผู้เทวดาแล้วมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้ พูดเราได้ประชุมกันแล้วในประเทศก็ดีภูมิธาเทวดาเราได้ประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีเราทั้งหลายจงนมัสการวัฒนมันไปแล้วอย่างนั้นอันเทวดาแล้วโน้ตทั้งหลายบูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้พูดเราได้ประชุมกันแล้วในประเทศก็ดีภูมิธาเทวดาเราได้ประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีเราทั้งหลายจงนมัสการประสงค์ผู้ไปแล้วอย่างนั้นผู้อันเทวดาแล้วโน้ตทั้งหลายบูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้ ในพระสูตรนี้ทำให้ทราบว่าการทำน้าพระพุทธมนต์นั้นได้มีขึ้นตั้งแต่สมัยครั้งพุทธการที่พระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่และพระองค์ก็รับสั่งให้พระอนนท์เป็นผู้ทมเพื่อขับไล่ความอับประมงคนทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่ชาวเมืองเวสาลีเป็นผลให้ชาวเมืองเวสาลีได้รับความสวัสดีในทั่วหน้ากันไม่ได้เป็นเรื่องเลวไหลไล่สาระนะี ถ้าทำโดยความศรัทธาเลื่อมใสในพระราชาทานไตคือด้วยการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วการกระทำย่อมไม่ไร้ผลย่อมบังเกิดความสุขสวัสดีและก็เป็นมงคลทั้งปัจจุบันและอนาคตฉะนั้นในพระสูตรนี้ก็เป็นนั้นว่าจบ y h a n o s b o u a n u